เอาไปปนให้ทูปพระเอาไปไขไขเขาแล้วก็ไปขอคารถคาเรือเขาท่านมัน่เอามันว่แม่นหมาว่าที่เอายากระดูกกระนมหูพ้นซ่างสอนหมดแล้วท่านแ้่กระดูกโตก็ยังเอามาไว้ท่านควอมหูพ้นซ่างหมดแล้วหลวงปู่ไม่อะไรพ้นขอดไขได้ทองใด้ใส่หมดแล้วท่านอมิรธรรมะอนไรกระได้ท่านไ่หอนที่เอากระดูกพ้นไปขายมา่นพระอนิจ้เก้าทั้งรายพระพุทธ หลวพระมหากษัตริย์เอากระดูกพระเจ้ามาเพ่อนกามาเฮทถาดพโนมเนี่เพื่นโมเมนสีเอาไปอ้างขนเอาคารุดได้่าสั่งเพื่นว่าโอ้ยว่าเก็บแต่แฉลุงพมานว่นเหรอแม่เพื่นจะเอาไปอ้างคนเอาคารุดได้สั่งถาดพนมเนี่ยเหอเฮ่บอมีเอิตีนิตี่สีสางโบสถ์สางสิมแม่กันเท่าสางกัมันไปแพ่ไปขอเขาได้หรืว่าสั่ก็จะเอาไปยั้งมาสั่เพื่นว่า ใพูมันมีอิทธิพลมันทไมเอาวะสันมันจะ่ว่าแต่ว่าแตาาาาแงง่่มันมีวันแซงรถปูหมันว่ะถ้ามมีอิทธิพลเอาไปใส่เอาไปจีว่างไว้ยางไหนวะันเอาไปวางไว้นนัคนปนกันแนบบาทเอายังปล่อยถมไว้ใส้เกือบเกือบกระใสทหาอันอน้อยใส่หกับคลิบที่ว่นปรถปูมันตัวก็เลยว่าเออเจ้าคุณอ่ะเออเจ้าคุณทาไมจีวันเด้์ห่ตัวก่อนเนี่ย นาที so ่ส <desserts> <laughs> uh, ีได้ให้ลูกผู้มหาบวกรเพลินเพลินบ่ได้เพล่นที่เห็นตัวโศกร้ายนะเพล่นได้โตเออเออคนนิสใยลูกละน้ำตาตองยูมอเออตาตองยูมอตองไรออกโรธ เ, เ, เ, ขขเพราะจิตเขามันปีติเกิดปีติกีติอิงโทมนัดปีติอิงโทมันนัด ก, ก็น้าตาไหลที เ, เน็ตใสเน็ตไส เ, เคยเป็นผู้หญิงมาก็อาจเป็นได้แต่ผู้หญิงบางคนฆ่าคนได้นอ้อ <c oughs> นี่ลูกค้านี่เป็นน้ำตาไหลอยากได้อยากได้วินานีสัยสังเวชนีส่สายสังเวชเราก็เป็นเหมือนกันเราไปเห็นวัดเก่าอายุหกปีเก้ า, า ป, ปเข้าไปเห็นวัดเก่าท่านคงจะเดินโยกลมอยู่ที่นั่นท่านคงจะบนท่องหนังสืออยู่ที่นั่นท่านคง เพศโดยเท่านั้นนึกไปนึกมาห น, น้าตาไรนิสัยของเราเราเล่าให้หลงวลงถวรรค์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นบอกว่านิสัยมีนิสัยของเธอมานานแล้วเธอนิสัยของเธอมีฉันด้วยอย่างนั้นหลวงปู่มัน่นภาวนาจนน้าตาไหลผ้ากีวันเปียกพอดีมันมันทิศเทียมันเก่งอ่ะ แล้วออกปฏิบัติที่แรกก็พามานาจนน้ำตาเปียกบัตรพากีวันไหลลงมาเนี่ยเออกี่วันของเธอเธอก็นุ่งอยู่ห่มอยู่เธอกินข้าววันนี้ก็กินข้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อบุหรี่ของเธอก็สูบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นช่างมันยังรู้จักจากราบพระพุทธเจ้ามีรูปช่างอยู่ป่าดิไรอยู่จังหวัดนครปฐ ม, มเอออยู่จังหวัดสกลนคร นั่นเลี้ยงมันยังรู้จักเอาในรวงเพิ่งร ว, รวงเพิ่งไปถวายพระองค์มันยังรู้จักกราบช่างมันก็รู้จักกราบเธอทำไมไม่รู้จักคุณของพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เธอไม่รู้จักคุณพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ขูต่ตนเช่าก่อนข้าวเธอกินทุกวันเนี่ยขององค์ท่านบาทีวนอะไรขององค์ท่านผ้าผ่อนท่อนสบายขององค์ท่านมดกุฏิวิหารสาราลงธรรม ตลอดไปที่ไหนเขาก็ให้ความสะดวกสบายขาบุญขององค์ท่านบุญของเธอมีอะไรถ้าเธอทำไมถึงไม่ลึกระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเธอไม่อากตัดูก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องระลึกถึงคุณของพุทโธพ่าะรลมหายใจเข้าออกดูสักชั่วโมงสิด่าเจ้าของภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธอยู่กัน ไม่พอชัวออ่วมมงเลยนับตาไหลโศน้ำหน้ามันโศน้ำหน้ามั น, นตาไหลเลยการยอมเป็นยอมตายในพระพุทธธ ร, รมพรสงฆ์นี้มันไม่ใช่มุทธลุมันพอใจเลือดทุกหยดจะยอมบูชาพระพุทธธ ร, รมพรสงฆ์ ถ้าว่าเป็นบุคลาธิษฐานสมมุติอธิษฐานขายตนออกมากกว่าเม็ดเม็ดท ร, รายในท่อมหาสมุทรร่อยโกรดมหาสมุทรแล้วนิมิตให้พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดทังพระธรรมพระสงฆ์ด้วยมากกว่าร้อยโกรดมหาลากมากกว่าสงไข่สงไข่อีกขี่รถเยี่ยวรถหยียบย่ำทรมํารายคายนโมกใส่ในสกนลร่างกายของเรา สมมุติเกินกินพอ่อไหมสมมุติเอ้าปาเ ก, กินกินพ่อมสมมุติเป็นบุคคลาธิษฐานส่วนธรรมาธิษฐานราคาของพระสวราวันมีเท่าไรไม่มีราคาราคาของสกทาคาม่มีเท่าไรไม่มีราคาราคาของพระหันตังนรานมีเท่าไรไม่มีราคามันมากเกินไปทีนี้ปจัจจัยสี่วันบินถ้าบาทเทนาสนะแต่ละวันละวัน เพียงอาหารแต่ละวันละวันที่เอาหน้าค่าซื้อพระบรมศาสราีรัตแม่ขาวแม่ชีก็ดีใครก็ดีเอามาหากินวันหนึ่งวันหนึ่งจะ ก, กี่ล้านบาทนั่นเอามานึกดูดูนั่นเพียงวัตถุภายนอกเอา้าวัตถุภายในก็ยกไว้เพียงกี่วันเป็นเทวดาศาสนะเท่านั้น่ะจะ ก, กี่มีกี่ล้านล้านในพระพุทธศาสนานับไม่ไหวอีกเสียเลยนับนับนับที่นี่ คุณค่าของพระสวรสดวันชะทาคาเมนาคามีแต่ละพระองค์พระองค์จะเอาเงินกี่นานมาซื้อไปฆ่ามันก็ซื้อไม่ได้นักราคาพระพุทธศาสนามากกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นเป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวถึงอย่างนั้นก็ยังมาผยองสำคัญตัวอยู่ไม่เป็นหน้าที่จะเอาพระพุทธศาสนาะไปชกมวยกับาศาสนาอื่นขึ้นสเตท พวกบ้ามันเอาไปชกกันเอาเทียบกันศาสานั้นดีศาสนา น, นี้ดีเนี่พวกนี่พวกบ้าพวกบับเอาไปเทียบไปเทียบเสด็จชกมวยเอาพระเยซูมาชกมวยกับ พ, ะพะระพระโคลมมันก็ไม่ถูกนั่นนะนะนะนะนะนะพูดน้อยพออธิบายพูดร้ายเดี๋ยวเขาตั๊บตั๊บตสามนักตายซัํา พูดมันลำแขกมเี่ว่าทุตตายถึงพระขุเพระธรรมระสงค์ตาเท่าเขาสู้พญพานเมื่อวานได้ทุติตติละทุติตติเมื่อวา ถึงโยทุกเมืออะไรเลือกใด ไ, ไดว้ใดก็ดีข้อผู้ขาดจองขาดถึงพระคุณธรรมประสองค์โุกเมืองผมมีะม่าณตาต่อเท่าขอสูพ้พระเนพาะนพผนจากทุกเนวะจ้าตทต้องสารดวยดวนอยทุกเมือผมมีะมานก็ขาดเถิดแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายยาเสียดายลวงละเมิดสินหากานเสียดายลวงละเมิดสินแต่ว่เนพระสดา์ันพระ ส, ะ ด, าระสะดาบันบ่เสียดายลวงละเมิดสินหา มัศเสาดายอยากเรียนอบายยมุกอบายยมุกทุกประเภทมันต้องเว้นมดศมัศเสดายอยากรวงละมิดเป็นนังจมมัศเสดายเพราะเห็นว่ามันชิบหายเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวเหตุจึงสั่นจึงมัเสดายอยากรวงละมิดมัศเสดายอยากถือศาสด า, สาอื่น มอเชดาอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์เที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายเหล่านี้เป็นข้อห้ามของพระโสดาบันไม่ให้ประกอบเป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ให้ประกอบสมบัติของชาวโลกมีอยู่หนึ่งประกอบด้วยศรัทธา เชื่อในี่ยพระพุธรรมพระสงฆ์สองไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกมไม่เชื่อมงคลบัดเบอร์บอกวิ่งเป็นมงคลตื่นข่าวเลิกดียามดีเป็นมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ใน พ, พุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งในสมบัติเหล่านี้เราพรมศาสนา อบายมุกเป็นมนุษยบัตไม่ใช่มนุษยสมบัตินักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคล้านทำนงานในทางที่ชอบสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุกเป็นทางชิบหายเลยไม่มีสารอุทธรพระบรมศาสน า, าเป็นธรรมดาสอนโลกเผยี่ไปสอนดีปานพระพุทธเจ้าของเะา มนุษย์สมวัติสวรร์สมวัติพุมสมวัติในพานสมวัตแม่นพระพุทธเจ้าของเฮาสอนทุ่มเทล่วงเลยคำสอนใดในไตรรกธาต เป็นเมืองขึ cat, ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัวเข็มทิศจะมีกี่นั่นล่างก็เชื่ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อมันลึกขนาดไหนขันว่าขื่นอยู่กับผู้เสือผู้บเสือล่ะนั่นนั่นนั่นนั่นไปใส่ไส่นั่นใส่หัวใจผู้ฟังครับผู้เว้าเนี่ยนั่นใส่หัวใจครับผู้ฟังครับผู้พูด เทียบใทางลึกซึ่งเพื่อเพื่อให้คํานึงได้หลายทางนั่นให้หน้องคลองเบืองบางต่างๆไรลงสูงมหาสมุทรทเลโดยไม่รู้ถัวชั้นใดคําสอนใดๆข้อไรลงสู่คําสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ถัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่ น, น, นคําสอนใดๆก็ยาเถอะ สิมาเปลี่ยนเกียวค้ำซ้อนพระพุทธเจ้าไปบ้ารอดไปบ้ารอดไปบ้ารอดไปบ้ารอดพวกถือพวกบาบมเมีบุญไม่บาปเขาไปรอดบอนั่นนับสิบบรุกวันชัวหูวเคี้ยงหลดมวดเงินต่อโล่แตกกระจงนั่นหูแล้วยาสิตาวผ้าโลมันจักเป็นเปนตโตเพดเน่าในหมอ่อเป็นวา พระพุทธเจ้าคนสอนโมบีหน้วยแก้วย่องอยู่บนหัวส่วนผงสุทุรี่หมดที่ไหว่ว่างเมีหยงงโมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่องอยู่บนหัวใจนีแปลว่าโมีทีเพิงเป็นไม่ร้อยน้ำและเลือกได้แลเลือกได้ก็ดี ขอหมอบกายถวายที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยธงเงาพรมีพระมาณ์เรื่องใดเพื่อเร่งใดก็ดีขอเป็นข่าเป็นธาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โงาพมีพระมาณแลึเร right, right, ื right, ่องใดเพื Rey ่อใดก็ดีขอทูลถวายสกนรรกายว่าจายใจเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพุทมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติอนหาประมาณมาไม่ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โงเงพรมีประมาณตราต้อเถ่าเขาสู่นิพาน ผลจากทุกนาวตาท้องศารอยู่ทุกเมืองว่ามีประมาณกาขาเถืนผุญละโบว่มันสีว่าจะทุติสติได้ เ, เดียวเนี่ยอา้าทรัพย์ในใจรกชาติเป็นเมื่อขกินของพระพุทธศาสนาเมือมเม่อไ้มนี่มเป็นของพระเจ้าเด้เนี่เข้ามาเรียกมาเรียกของคนในที่เลยโม่เนี่ยโม่เนี่ยโม่นี่ยืมเนี่นนนนนกันเข่าอยู่ได้ท้องอะไรเฮ้ยกันเพราะว่าพูดพระธรรมผสมทั้งนั้นล่ะว่มันของสมบัติองมูเฮ่านำไล่เพนเพนทมถิมแล้วในวตารท้องสารอันเนี่ หมูเฮ้ามาเรี่ยนำลายเพลินคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเบื้องตน้นสอนในธรรมาให้เรียงชีวิตในทางที่ชอบเวทอ า, ายยมุขสอนต่อไปหันสอนสวรรค์สมบัติสอนต่อไปหันสอนพุน่มสมบัติสอนต่อไปหันสอนนิพพานสมบัติก็เป็นขั้นตอนไปหันเถอะแต่ผู้สามบาลไม่แค่กล้ามาแล้วเพราัดชิ่ยวพระนิพพานสมบัติรถ พุทธท้ข้ามเดียวกรมุงใช้พรนพลานหพุทธท้พรมาเกิดพรพ่มาแก่พ่มาก็บพพมาตายถาโม่พรพมาเกิดพรพ่มาแก่พรพ่มาแก็บ่พามาตายสังฆ้อพะวัดเพื่อบำมะเกิดบ่มะแก่บำมก็บมาตายนี่สงบาลมีแก่ก้ามแล้วัดชิววันเนาะพ่องบามีพ่อแก่ก้าคพุทธเท่พุทธทพาพุทธเทบัพุทธเทเบอแล้วคิ้หายไปว่าตายอ่าอา เออเอ้าขอขอจ้ะเออเอออแล้วจ้ะอืมไปรดรุ ได้ขึ้นมาทั้งเต า, าห้อยผู้เดียวหอ่อะไรไปโอ้แต่พอหลวงปู่ฝันอยู่ทำอันไพยออกกากงหลวงปู่ออกกางทาพระเดีอะไรจ้างไปถึงหลวงปู่จะนัดมากบาเลยมาได้ภาษากเกือกเลยย้อน มือเหาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกมือเกีดใหญ่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกมือเนี่ยอธิษฐานไว้ย่างสัตตังสัตต์ไว้ยั่งสัตต์รลึกได้วอาลึกได้ก็ขอบอกกายทวารชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกมือตับต่อเท่าข่าวสู้พเนพาผนจากทุกได้วาตาท้องสารโดยดวนอยู่ตรงเวลาไม่มีประมาณเพราะขาเถือน เราเลือกได้เรเลือกได้กว่าดีน้อมเป็นคาเป็นธาตพระพุทธพระธรรมพระงฆ์โมือม่มีประมาณเราเลือกได้เรเลือกได้ขอเข้ามาโทษตอนพระธรรสงได้กายว่าจากคิดโยธมารไม่มีประมาณเ้าเลือกได้เาเลือกได้กว่าดีนอมเป็นคาเป็นทาตพระพุทธพระธรรมพระสง์โมือไ่มีประมาณเเลือกได้เาเลือกได้กว่าดีขอเป็นเมตเป็นสหายับจัวทั้งใจโลกธาตุโยธมารไม่มีประมาณเเลือกได้เาเลือกได้กว่าดี อเพราะิุกชพ้บนบุญให้ทั้งตั้งแต่โลกธาทุถงวลาบ่ามีประมา่านเม่นกรรมฐานบ่มีเล่อนบ่มีพ่กุศลที่พระม่านเกิดเมื่อเกิดขึ้นเองที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเลื่ญมากขึ้นกับใจทั้งว่าคุาทธะธรรมสองหลักอารมณ์มันกัเป็นไปในทั้งบุญบุญคู่บุญเมื่อคู่นี้นนอะไรหัวใจฮ บวกก็ได้ความใจผู้ทึงมาพุาทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิ่มันก็ไมแตบ่บุญบวกบุญเอารอดอยุทธหันขันต์บอยช่างสั้นนะครับไม่ได้บวกบุญแล้วบวกจะบาปแ ล, ะละ้วคน้นเหลื่ยมใช้ในมาพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันว่าเป็นคนงง ง, ง, งคนสลาดมาแล้วคนสั่งบา ร, รมีแค่กละมาแล้ว จังสิเหลี่ยมใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จังสิขอมอบกายถวายชียวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นขันบรจังสันนะครับแม้กระพาะแก้ไม่ทั้งปลายเนี่ยมีคำสอนอันเดียวเท่านั้นมีคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้น เนื้อโลกแลื้อสงสารเนื้อทุกข์ทุกสมัยสอนมนุษย์กับเนื้อโลกสอนเทวดากับเนื้อโลกสอนพ่อม่มกับเนื้อโลกสอนพระรหันกับเนื้อโลกสอนมนุษย์พูธรมหาห์อย่างสีเวศกับเนื้อโลกสอนพิสุสัมมณีกับเนื้อโลกไม่พูดไรแค่เนื้อพระพุทธเจ้าไปครัสอนเรียบร้อยบัดเฮาที่พระเจบัติได้ซ้ำไดมันกลับไปเลื่ยงของโมเฮามันไปเลี่องของเพลินเพท่านได้สอนบัดไปเลี่องของเพลินงูเพลินสอนไว้เพราะแห้งแล้ว เขตนิสันจึงว่าสัตวังทรัพยัญชนะเจวัรัปฏิปังฏิสุทธิ์ทางพมิชังประกาศเสสิวันบริบูณ์แล้วทางอัตถะทัรพยัชนะโบสิ่เชิงแล้วมวี้บรพ่อมนุษย์สมัติเวทอบายยมุขันบาเวทอบายยมุขเป็นมนุษย์ไบัตรขันเป็นมนุษย์บัตกเป็นสวรรค์บัตรือกัน ก็เป็นพมิวัติกอกันก็เป็นเนื้อผาเนื้วัตคือกันกันเป็นมนุษย์สมวัติสวรตชสมวัติเป็นไปเองเพราะว่าเป็นสายโท่ารเท่โทรศัพย์อันเดียวกันผู้มองเห็นนภ า, าจะบุกไปทา้งชีพหายผู้นั้นในดวงตาเห็นร้ำแล้ว ผู้ดใดถือว่าอบายมุกม่นเป็นทางชิพหายผู้นั้นยังเป็นคนตาฟางอยู่ตาทาั้งนหนาอย่นั้นฟางตาปัญญาเ่อท่านมีผู้ใดเสื่อพระพุทธธรรมประสงค์ลงสนิทกับผู้นั้นไม่ตาปัญญาเนีวดวงตาเห็นธรรมแล้วสิ้นความสงสัยเสี่ยงสิ้นวิสจิคิดชา้าเนี่ยสิ้นความลูกค่ำแล้วศีรพัฒปัตตารามาตนะ สีระพัตตะพระรามากสินครอสงสัยพระคุณธรรมพสงสบายปฏิบัติกับสบายบยะปฏิบัติหน่อยกับเป็นท้องตัวปฏิบัติร้ายกเป็นท้องตัวสงสัยเลยขัดสงสัยเราบ้กับปฏิบัติยากที่ปานแก้ไม่ทั้งปลายเปิดกับมาสงสัยไะ้รพรคุณพระบุญพระธรรมสงเราเรียบอร ฝ่าท่อนขางดีๆดแรนแล่ะธาตวัดศีลวัดภาวนาวัดกับวสงสัยมรผลในภานกับวสงสัยคาสอนตจริญวัตรระบาดของพระพุทธศาสนาเป็นทรงต่อพระเพ่านม็นณโมกข์ทรงต่อพระเด่นกกานนอบวายจนถึงพระเด่าน ไปสนากมถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์จนถึงพระ涅槃ท่านวัดศ ร, วดรวดีวัดพาวนาวัดคือกันหาเขาท่านแม่รับครับเจริงก็ดี ร, รักษาศีลก็ดีกังวังเพื่อพระ涅槃เท่านั้นส่งต่อพระนพานวัดคำว่าส่งไปพุ่นว่าเอพิษพิดท้าน่นานถึงกับประรนโค้ ที่นี่มูกระจิไปทั้งนายอยู่กระเจหายพ่อนกระเจบอ้ายคว่มดอก ดัทาวาดิวหาปุราปิปุเรนติสะขลังเอโยมีวิโตตินังเปตังุปกะปติเอจิตังปะจิตังตุมาหังกิปเมวัสมิจตุระเพผูเรนจสังคปากันโทปนรโสยถาไม่โตรโสยถาทะพิจิโยเยวัจนะสพปะทุโคะโยโสรโกเวรัตตมาเทผวะตวนตาโยสิสีกายโยโคอภิวาสนเสียสานิจังมุชาวิชายโนจตารุตมาวัทันติอายุโนสุขังภะ เอ่าในภากับภาวน่าไปเนอรถจักกั่นมากเลยแปลว่ามันกิ้บหายเยอะซึ่งหนาซึ่งปากว่าันจังว่ามูกขาแล้วเว้นอ้าวายจะมุกทั้งผวงแล้วจึงจะเป็นมนุษย์สมบัติขันบอรเว้นแล้วเขาม่าปานเทียนเวซ่าเอาฟื้นทีมใช้ไฟใส่แทรกกัดจิบหายเบิ้ดไปย่างใหม่หอดเท่อนหอดบานหอดให้หอดหน้าหอดหัวหอดสวนหอดจิตหอดใจ ไม่ค็ดไม่ใจเพาให้ถึงพระพุทธธรรมพร ะ, รระสองฆ์อีกด้วยรัฐบาลเรียนกับไม้หัดใจรัฐบาลหมนรัฐบาลไปแล้ยังผ้าเลีนว่าสัน่นโอ้ยมู่อยบอกมูเจ้ามาฟัง่อยเขาไ่อยากเรียนนกหันมูเจ้าส เ, เสียดีเด็กก็มาเสียค่าภาษีสาหาังสัน่นก็ได้ส่องอนุญาตให้ฝุ่นฝดรัฐบาลอนุรันํ์นามูเจ้า ่มปไลายร้นะแล้ล่ามแ้บหายทั้งรัฐบาลทั้งประเทศทราบ้านเมืองอนีเจ้าน่อยไปนจีคามาใส่เขาเหมือนละแผ่นดินแผ่นหนาแผ่นไฟแผ่นร่มประเทศอื่นเข้ามาสือเอาประเทศเท่าเบื้องปากเขาจ้องป้องบาลเนี่ยเปียเปียแต่บร ม, มาลาเพะว่าเอาแหเอาทรายเอาแหเอาทร า, ายมา คนทั้งหลายก็ได้ไปเอาแหเอาทรายมาทีเป็นเงินเป็นคั่า่นแหทรายเป็นเงินเป็นคั่มกระอุปรมาคือเอาไปใส่ถนนมันจะกลายเป็นเงินเป็นคั่มหือเอามาผสมปูนขีนแหขี่เหี้นมาเข้าใจว่ามันจะเป็นเงอนเป็นคั่อันนี้คือการ้ากันหลงกันว่าร้ายรายปีร้ายเดือนแล้วหลงเรื่องหลงเรื่องอวบา ย, ย ม, มุกต่กอนบดมีด้สมยยัยทำไมโยนลงปูหมันบอมี พาไปทั้งไรสบายไม่พูมาแห่เล็แห่พ้าแห่บาาแห่เบือกินท่านจังไรพี่น้องเอ้ยค <ton> <hacen foul> <akes> oh so ุยกับอาจารย์ไม่จังเสดเดืบุญรายเพราะฉันสมัยเดว๋ยไปทั้งไรพักกาดไปจอพลาจะบัสจะเบื่อจเล็กต่พลาจะนั่นจะหายไปวะจะจะพักกันเห็ดพี่น้องก็หเบซ้าขอเพลัยร้ายสมัยเขาอยร่อยเอ็ดนะ เฉพาะบ้าพอลุงปูสั่กัน่าพอลุงปูขาน่อยเมือนกันายล้านแล้วไอ้สั่นเนว่ า, อาพอลงปูละงปูหามขน่อยเขาน่อยกระเซ้าเลขมาเลขหลายปีนะเดือนนี้ในร่องสีสองร่งไเดนนี้สีขาว่นมือละร้ายอยู่มือสองพันสนามพันกระสอบหมจะขาแกะไปซื้อกระไมือละหมืน่นบาตายบาปนี้ไ่้ั่นเป็นนี้เขาุด้ายแล้ ว, วั่น จะเป็นนี้ตะ ก, กี้เป็นนี้เขาโยรายร้านนันเดียวนี้ยรุดไปวัดรุดไปวัดยังต่นั่งจะโยนําแม่น้อยเดียวนึงไหมท่านเดีวเอาไปให้แม่เนี ก, กับแม่ห้าเป็นไถ่ละบาดเนี่ยไ่ได้เป็นขีขาไปวะท่านก็เลยได้โรคสีฟีซื้อสองโร ล, ละบาทเนี่ยวะท่านคนทั้งหลายบ่อเสือบ่อเอสดะท่นบ่อเสือหาบ่อเสื อ, อยุหันวะท่นบานนี้สีหัหนามาหากมากินมาท่านนํานพระพุทธธรรมประสงบาลนี่วะท่านบ้าขาดทุนวะท่น เ่ได้หน่อยก็ได้ร้ายไอ้สัตากิ้นหาทานขายผสมพอได้ก็ได้ผสมพอมีก็มีไอ้สัตว์เค็ดแล้วไอ้สัตวเงิดเงินเงินรร้แล้วไอ้สัตว์คเปจริงกัแม่ในนี้คนน่อยเอ็ดบ๊อเซียบอเืีอแมบ๊เอเซียยุหันไอ้สัตวอ๋อคำบ๊เซอ้สัตว์ไปไปไปตรวจบางเอกสารลุเอกสารหลวงปู่เขียนมาห้าวไัาเอ า, ห, าหินๆๆหไปเพลินข้าเอาหินไปเพลน ถ้าเอ า, าไปเพิ่นนะสันเพิ่นเขียนตอบมาตอบมาได้รับแล้วเขียนใชยเอยงสันนี่สิจงไปสุกทุกสนาถ้าสร้างแต่โลกาธาดันเชิวันเบิงรูบืงความให้พ่อนเบื้งูจดหมายเนี่ยวันจดหมายของหลวงปู่เนี่ยปึกนึงเนี่ยเอามีเลขตัวไดนไม่ยังตัวไหนหาเบืงลู่วะันะเห็นพื่อนพี่สมจังปองูมันเอาไว้เป็นเสือบ ก, กันตัวมัน ม, มันฉลาดมอนี่จดหมายของหลวง ป, ปู่ไม่สนมันเอาไปไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ มันตํามันยอมตัวจิตหยุดอยู่น้าเหล็กน้ำผ้าน้ามัดน้าเบือโอ้ยตํายอมร้ายพระกะตาค่ะมันเป็นพระแห้งตําร้ายพระตําำบนมือบนเอาโน้มญาติโน้มตําน่ะมันเป็นมันไม่ยังมีบนเอาอยู่พระตําพระยอมมือมีบนเอาพระเป็นนาที่สีแนะนําให้ญาติโน้มพริเจ้าพีพระเจ้าพสอบจึงเป็นอนุตรร่งพุญยักเขตต่างโลกัสสาติเป็นหน้าบุญของโลก กันพระไปสรงเสริมเล็กพระวัดเบือเนี่เป็นพระกับเป็นหน้าบาปของโลกดิ่กับพี่น้องทั้งหลายเนี่ผูกไปถือกะว่าอามตะนี้มาถือกะว่าอามาตะนี้ก็ต้องร้องพระวันนี้ก็เลยมุนอ้ายไปที่บัตเป็นพระเบล็ดพระผ้าพระวัดพระเบื่อว่าเป็นพระสิปฏิบัติเพื่อผลทุกในบรรดาสงสารขันว่าเป็นท่านญาติโน้ยญาติผ้ากันผูกผูกเล็กผูกผ้าขอแพร่ไปหลายๆฉันผูกเล็กผูกผ้ากับพ่อปันกามคาผู้ขาน่ะ ถือเขากะ ว, ว่าอมาาจะพูดจา ก, ก็ว่าถือเขากะ ว, ว่าอมาแต่พูดจะ ก, ก็คันเมื่อเปนังชั้นน่ะคิดเมตตาสงสารผู้ขายแกถจงปลูกคันจะไปปลูกไปปลูกออกกับดินกับน้ำกับไฟกับลมทั้งเกินผนที่น้องทั้งร้าย น, ะา น, นั่นเขามาขะน้าปูกเอาเรียกเอาผ้ากับนี่กับพ้าปานกับมาขาผู้ขายนะ่หละว่มันจะเอาเรียบอะไรมาให้พระละหันผลชีติน ในไตรโลกธาตุน้ำลายของพระพุทธเจ้าของพระธรรมเจ้าของพระญาสงเกลียวบนมูห่าอุปมาคือแมงวันนะมายากกันจินด้วยนี่กูไดห้หน่อยมึงได้หลายจิกกันอยู่นี่จิกกันไปกันมาฆ่ากันไปจนมาตายแหมือแฝงแหงมาได้ยังมิแตเวนสนองเวนไถ่สนอ ง, ง, นองไท่เห็นัสามพระพุทธเจ้าจมาปศนอาวุธ ฟ, ฟาราติบาอธเนนากามเยมุสาสุราปศอาวุธซักหลหลานด้วยให้กนพระพุทธเจ้าเอาอาวุธ เส้นทำเนีย่ซน์ขึสนาอุติจโจรผู้นั้นอย่างไรพระสวัดาวันนี่เอาโมยะวิช า, าพระสวัดาวันยาะจักเม็ดชินั่งพระวนาัวดขึ้นหอยเหมืเศ้าก็สซ้าจนคุ้มขนคุ้มผวนวนลงกระตามขันยังเสียดายอยากลวงละเมิดสินหายุ่บนบแม น, นพระสวัดาวัน เสดาอยากเรีนเลขเรทยาาอยู่ก <tomar> ับโมเนตพระสวาวันยังเสียดายอยากถือสาสนาอื่นอยู่กับโมเมนตพระสวดาวันยังเสียดายอยากขอดเว้นกับคนอื่นอยู่กับโมเมนตพระสวดาวันมึงเนอกูว่าได้มึงท่านี่กูจะเอามึงท่านั่นโมเมนเนี่ยมเนต์พระสวดาวันเนี่ยพระสวดาวันน่นเครียดยู้แต่ว่าหมดบอดบอดตอบเว้นเขาบอดจองเว้นเขา โอ้เคยเด้๋ยทำเขามาแต่ศาสตรก่อนทำไแล้วไปสตก่อนเนอผู้ขา่าวเขาี่ยด้วยหรอกแต่หบ่บอกบอกขอดเวน้นเคยเขามากองไม่แต่ไปแล้วไปซะเพราะสวดาวันต้ไปแถวนัน้นผู้ข่าวไปจองเว้ผู้ใดเขามาแงนหนะ้าผู้ค่าวผู้ขา่ขาเคยเดีแง เ, เ, เขาจะศาสตร์ก่อนแตแล้วกันไปซะจะมาแงอีกก้อนั่นเนาลูกเคยเถี่ยงเมื่เท่าก่อนจก่อ <c> น <oughs> โตค่อรผ้าผัวเถียงผัวเถียงแม่มันก็นมาเถียงกัือนตัวคนเวรกับศาสตของมันนี่ยูไพ่อ่นนะคือการะเวรกรบมศาสตร์เห็นเห็นกรบศาสตร์เลยผู้ใดผู้เส้อกรรมและผลของกรรมถึงไตชนะคมผู้เสืยพระพุทธธรรมพรสงฆ์ สอนได้แต่โลกธาตุเนี่ยบ่เหนือคําสอนพระพุทธศาสนาไปอันนั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเลยคือดวงตาเห็นธรรมเล้ยอันละสัจยะทิฏฐิอ่ะพอย่อมย่อมดาวพุทธพระทับประสง์เลยวิธียึดช้ากับประสงใส่ยในพระุทธประทับประสงอ่ะเสียละพระตาปรมากับพรลูกเข้มนะดาวพุทธประทับประสงเนี่ยภาษาธาตข้ามีอนหน้าข้ามี่ผนันก็เปิดตั้ตูไปเองมันบอกสัน ปตวดบ่ลยสุหค่อยสิได้นน้ามอินวันมนุษย์สมบัติเนอบายยมุกเว้นอบายยมุกขันว่เว้นอบายยมุกเป็นนปฏิบัติเอบายยมุก่มีตเนี่ยเดี๋ยวตเลนเลนาเลนบาเนเบือเลย นักเลงหญิงนักเลงโซลานักเลงเรื่องการพนันคบคนชั่วเป็นมิรเกียรติท่านทำงานในทางที่ชอบอาบายยมุกทั้งนั้นอันมวยคบมิจฉุอะมุนิอาบายยมุกทั้งนั้นบะแม่บะแ ม, ม่ท่าบะแม่ท่ามนุษย์สมบัติท่ามนุษย์เรบัติท้าหน้าชี้ขานเห็นงานกับมนุษย์เรบัติไม่เคยอ้างว่านาวนักเรามาทำการ ห่อน tuo, mira, costs, ักมาทําหมนงานหิวนักมาทําหมนงานย่างเศร้าอยู่มาทํากมืนงานหิวนักกระหายนักมาทํากมืนงานนี่ทางแห่งช่างเสียหายสัำสมบัติทั่งนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนมัดไปแล้วสอนมนุษย์สมบัติเต็มูุ้่มสวรรค์พระพุทธเจ้าจังไปสอนสวรรค์สมบัติจังสอนพมสมบัติจังสอนนิพพานสมบัติเป็นขั้นตอนไปพระพุทธเจ้าเพราะพิพุธําเมศออกมาจากมนุษย์เนีออกมาจากพอจากเมรุเนีก็ต้องสอนมนุษย์สมบัติก่อนพระพุทธเจ้า มนุสบาตเท่าก็ได้เลวเนี่เฮาขาสแขนน่เออเาไมสตกอนหมพเป็นคนบ่าใบเสียเจด็พิษมุษมมนสบัตเฮ้ากรักษามนุสบัตเทาไว้ี่เน่ก็รเียนเลกเนาเรเียนอบัยมกขกระมันนี่ยเวนอยมกขทุกประเภทเมื่อเสดาจะบงระเมิดสินหาเพี่ยนเมื่อเสดายจะบังระเบิดพราเห็นอเป็นทางสีหาย ดิงลงไปแล้วกักระเพาะสีดายการเห็นว่ามันเป็นท่าจับเลื่อนโยมันกระเซ่าอะไรการเห็นสิ้ยงไหว่ามันเป็นท่าขี้หายดิงอะมันกัมันกระเซ้าได้มันกับยากเนี่ขึ้นนำาร่ขาวบวนออกทิมเลยเห็นเอาห้อมีประโยชน์จังเเท่ากรบเาสียดาเอาขึ้นมากินมันกระสหนักไก่ยังแล้วอกสันว่าเลขสาวัดเบอเคื่องการธนาคารการขนาคารเคื่องกันรเท่าเห็นดิงว่ามันเป็นท่าขี้หายตรงต้อะไเากรเาสียดายจกเค็ดอันนี้เป็นักเทาจังเข้าใจว่ามันเสีได ก็พอเข้ายัางเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่มันยังเห็นผิดอยู่้นันเถอะยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นกลวงจักกเป็นดอกบัวเห็นจงหม้อเปนไปผูรรอ <laughs> อ ก, กอะไรวันเถอะบอกเขาสั้นเสมอในนี้เสียนมาแม่แกใสเอามาจากเอาใบยมุกแม่นบอกนะฉันได้เงินมาแล้วพ่อประทรงงวดขเขากันมาไปมากูไปจอมจับาบกันนะสั้นไปจอมแล้วเปิดหวานไป สองวสา ม, มวเาวเกหัวยอะแยะก็เียกว่นี่แหละนักเขานักเขานักนาทิชิร า, านุนนั่ น, นยอยู่บ้ามาเห็บเอาให้เขามาเห็บเอาหน้านะมาเห็เอาเหนเอาซาแค่ชีสมจงองเงนัง้นนะสยะท่า น, น่ะไปประเทศญี่ปุ่นว่าไปประเทศญี่ปุ่นก็กระโดดดตาตายเลยรับแขกไว ไ, ไปทีแม่เจ้า เกแล้ว้ามันของเาะพี่มันต้องแก้พี่คารวมนี่พาอาหารอาหารว่าตายยังจะเอาไว้ยมุกยังละบนท่าแม้นว่าอะไรันไกลชะนอสองเจิงน้ำมือเจิงก็ว่าน้ำผักไปรวะข้าวมือกลุ่มพเห็นอันเดียวันนันแล้วขานั่งนไร้ารักานั่งเอะไรพนนั้นเป็นเลียงมงมยว่ ผลกอนว่าต้นได้ถึงพรสวัสดิวันพราเจ้แล้วก็ไปถามเลขไปถามเลขถาน้ำดีเยอะดีงามดีอยู่มันมองนพอสวัาวันมันสวัสดิสวเาะว่าสวัดิกันี้มันถึอกระต้นวกปรตขียนตะกอถึอสกปรตมันจำตะกอเขางจำว่าท่าไหน จะไปเฮียมตกวอตกข้อตัวหอไปใช่ไหมสันได้คือกัรจำรูรมวัดกระยมวัถือสวัมวัตมันก็จิถือกี่หนียี่่อยไหนก็พักกันเศ้าของตัวลกูกหลานผูขาเทียงูกขาเิหยารดเทียมันยังได้ยวนี้โอ้ได้หน้าท่องนั้นใบไไเดียวเนี่ยบ่มันสูออกไปจำนอกเมื่อระบอั่น เอาแล้วเกาอนอกะอันี้สวนสู้บ้นหันนยไปสายนสู้ไปจำนอกมันบอเอาหันี่ที่ดินสู้บ้านหันไปสาบานจำนอกมันบ่กไฟไหมเละไหมเื่อนไหมซ่านมันที่ดินมันยั่งไฟไหมเล็กพาที่ดินมัยั่งไม่วะไปต่อยวาเข้ามาทีเกาก็ไม่องอกตัวเสียงกับพ่อคืนนั่นมันเอาม้าพ่อพ่อม่มีเงินไปหอดตลาดัวมันเอาม้าพ่อ มีเงกนันนับจำนวนลาละนน่วางซื้อหาปีรังกระจาวอามาให้ฟังไปเรียนเลขยก้ดลุกลง่มองเห็ผ่าทายอาบน้ำลง่อาบน้ำบึดทั้งนี้ไปทางไดมืวันบินพึ้งพึ่งมาสัน ปีเป็นเดือนมากกับพ่อเมียเนี่ทายนัน่นเป็นปีเป็นเดือนมาไปนอนในีน้ำบนเขาขายของน้ำถนนมาสัน่นน้ำเหมือแรงมาเขาขนของเข้าบ้านอะไปเฮ็ดงานขายขางเข้ามารับโอ้ยคนชิบหายทุกป่านนี่เลยแย่ออามารับเท่าสีข้านซื้อเครื่องนุ่งเครื่งถือให้มันมันสียสเ น, นงมาสัน่นมาเป็นลูกจ้าเขาก็เป็นเสีแส น, แสนียงขึ้นกันอะพรามีเงินหลายล้านอะมาเสียมดเหล่สี่วัสดเอาไปเรียนมัด พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไเนียพระพุทธเจ้ามาสอนบูมีจักแนวเนี่ยไห้พระพุทธเจ้ามาสอนบูมี่เลยหนึ่งยังสองยันสามยับูมีสอนคารวะเกันบันที่โตคารมาวะสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนบันที่เป็นผู้คล้องเรือนก็คือพระสวัสดิ์วันเทาดีๆนี่แหละคือผูมิทิศหายจิบก้องกันวิธีไหนว่าโลกเข้ากันจากหัวกับปันจากหัวลอก โรบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละ อ, อายต่อบาบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มีอยางอายต่อบาบไม่มีความกลัวต่อบาบแล้วก้อนไม้ก้นหมูกก็ทนักก้อพวกก็ตั้งมาอยู่หอููของทำไม้นําคํานึ่งก็หที่เพึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นนัขอรับสั่นรับเสร็จมันไม่กาศัยมาจากก็มีอย่างอายต่อบาดเท่ะนม้นมคำว่าลอายต่อบาบไม่กลัวต่อบาบเลยมันบม่อยู่หอก ควหมายมันก็เยอะนํำหนังสือพุ่นพราไตไปิรกษ์ก็ยอะในตู้พุ่นม่นี้ตู้ยึตู้ใจของกนมันอยู่ในตู้ความอบพิธของคนมันอยู่ในตู้ตบบาปตบบอสันอาตปออยู่ในตู้พุ่นบาปยบาปใจพุ่น่ว่าบุญไหมตบบอสรู้ว่าตยอปยอยู่ในตู้มเด้ในหัวใจคอนนั่นนั่นนั่นถ้าอาบน้ำเฮียงมันุกพปเคาว่าอาบน้าเขาสังคมเขาอะไรยุติเจตนตนเเป็นไตรย tamam ู คิดใจมันสกปรกเอายังเหอมามันเอาศีลทพระองค์เจ้าััวนั่นนันนันนั่นนั่นใส่นั่นใส่ผู้ว่าเขผู้ฟังไ่ได้นั่นออกนอกคนได้เดี๋ยพระพุทธเจ้าสร้างบามีมาจักอสงภัยทศใดทใดว่าผูค้องโลกพระพุทธเจ้าเปนผู้วคองโลกเลยจึงทรงพระนาม สักชาเทวมนุษย์ชาหนัเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิหานธังแะชันเตเิประกาศพมจันในพุทธบริษัททั้งหลายสักชังทั้พยัญช น, นงเกวราปริบุญังปริสุดทางพมจันยังประกาศเสสิบริบุญแล้วทั้งอจัก ท, ทั้งพยัญชนะตัมหังมกขวันจังอุตติยามิตามหังมกขวันจังสีรษานาี้ จึงยอมกราบไหว้ทั้งพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเพราะบริบูรณ์แล้วสิ่งใดพระพุทธเจ้าพระท่านเนีสอนว่ามี่ยักแน่วไปขีพระพุทธเจ้าก็สอนให้นั่งลงสกักดเน้อจะตัวเฝ้าอภ า, าเชียนเอวอพรท่านพระว่าสอนพระสอนเน้นสอนโยมก็สอนคือกันสอนโยมสอนเรียบเท่ากันอ๋อสอนก็สอนโน้มสะกด ย่อมเหตุกระพาะเหตุจังไหนพระพุทธเจ้าสอนด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนโกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยความเป็นผู้ไม่ปิด ป, ประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเดือนด้วยให้อารนะิสธานะสามัญภามได้รับประมงชนี่แล้วยอ่อมอนุเขกุญระบุดังต่อไปนี้หนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่ว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 สอนด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนะผัวเนี่ยขันใหเมียจัดการงานดีเฮี้ยนกรบบปัดถวยกระบะละถ้เขากรบะเทมันคนเป็นโว่สมข้อคนข้างเคียงของผัวดีคนจากเคียงของผัวขึ้นมาเฮี้ยนนาบูดบึ้ง มันกับปรดี๋ยเนี่ยนะแม่ประพฤตร่วงใจผัวนี่ถึงข้อม่วงรักษาทรัพย์แก่ผัวทาอะไรไว้ขยันแม่เกยบข่าในกิจการทั้งฟวงอันนี้ผัวเรียนเบี้ยแกับตุ่มใกล้ขับขายมันกับมันกับบมันกับวัชเลืนะลอดเนี่ยเห็นเนี่ยะนั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าล่ะในระหว่างพอ่อแม่เพิ่นกับบอพ่อกับลูก กระทำความชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศีลปวิทยาหาภัณฑ์าและสามีที่ถกควรให้มอบทรัพย์ให้ใดสมัยนักพระพุทธเจ้าสอนพ่อสอนแม่ไดยเนี่ยสัวสอนลูกใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่าในเรี้ยงมาแล้วเรี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดําลงวงะกูลเราพฤตงตนจะเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ท่านนักนักพระพุทธเจ้าสอน เนี่ยแม่พระพุทธเจ้ามาสอนโนมิเลยการคบมิตรพระพุทธเจ้ามาสอนมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมอุปการะมิตรร่วสุขร่วมทุกข์มิตรไ้ประโยชน์มิตมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้กวรคบมิตรมอุปการะมีลักษาสีป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นเที่ยงพังลักได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพให้เกินกว่าที่ออกปาก มิตรร่วมสูปร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรับของตนแก่เพื่อนเปิดความรับของผู้ตนของเพื่อนไว้แพร่ไายไม่ละทิ้งในยามวิบัติแม่ชีวิตก็อาัศรเชนได้มิตรแนะประโยชน์มีลักษณะสี่ข <c oughs> ้าแม่กะทําความชั่วให้ตั้งเรียอความดีอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอัน ง, งามบอกทางสวรรค์ให้ <c oughs> มิตรจําพวกนี้เป็นมิแท้ควรคบมิตรปฏิรูปแม่ควครคบเน้อหนึ่งคนปลอพร้อ คนดีจะพูดคนหัวไปจบคนขัดขวางในทางคิดหายคนจำพวกนี้ไม่ใช่เมตเป็นแต่คนรมิดเมืรร่อคนคบปอกลอกมีลักษณะสี่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายดีเสียให้น้อยก่อคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำํำผิดของเพื่อนกบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนั่นะพระพุทธเจ้าสอนแล้วมัเวเฮาเลยกองขอดขายปังวงว่านเถอะเอาเรามากินคบกันเพราะว่าอาอาืผีบา้าพบกัน มิตรจิตเราเพื่นก็บว่าไอ้คบอะพุทธเจ้าหนะักหนคะิดเอาแต่ได้ฝ่าเดีเสียให้หน่อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อไม่ใครแก่ตัวจึงต้องทาจิตของเพื่อนก็เพื่อนพอเห็นแก่ประโยชน์ของตัวมิตชักชวในทางชิมหายไมยรักษาสิชักชวนดื่มน้าเมาชักชวนเที่ยวกันคืนชักชวนให้มเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพานัน สี่จำพวกนั้นไม่ใช่มิดเป็นแต่คนเทียมมิดไม่ตะกวนครบนะรักษามิดผู้ประมาณแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของมิดผู้ประมาณแล้วเมื่อมีัยไพเอาไปในพึ่งคำรักได้ไม่ละทิ้งในยามเวรบัตินับถือตลอดถึงวงของมิดจําควรครบนะรัฐมนตรีชอบหน้าพลังงานทั้งฝากที่ฝากพ้องคนละพลัดไปคบค้นผัว่ัดไปครบค้ น, น, คบค น, ขคนขี้เหล่ามาก คืนวันนเืินเมื่อร่ยงอยู่เงินสองร้อยบาทเไหเมื่อเท่าหเมื่อเรามาตกไกล้ตกกลางกินทีเเสรสวยกับวนี้วนี้กินเหล่าเม้ยูหันเมียอดเอาไว้สั่นเมียมันสลัดเมียร์โบรนอ่ะเอาน้า้างหัวใจดีๆ้วมันก็คอยเห็ดําบัตฮา กลับมาบ้านเนี่ยและประกอบข้อผัวเลยซืมาใช้หัวเงินมันยังเจ๊กสะต่างพอให้น่งได้ไมาสัหา้าลุนให้เจ้าเอิญพ่อเจ้ามาอีกว่าัหาลุนให้เจ้าเอิญพ่อเจ้ามาอีกแล้วว่าสัตซือมใช้ผัวนะปอดข้อแล้วม่กับซืมใช้ผัวหัวผัวนะจน่ะแค่ตายอันนี้กับเท่านึงกับออลูกอุดรนะบ่ โรองกินเหล่าเฮ็ดี้ยก็เฮ็ดบดแล้วบานนี่แลบลินพี่ตากขาเฮ็ดบดแล้วแก้ผามาถึ ง, งออ แ, แกงออกยมมอ ก, กอ้อมบ้ า, ออมานานั่นแล้วแก้ผ่างอ้อมบ้านโว้ยสมุดยีก่อไอสั่นผัวเมื่อกแก้ผ่าอ้อมบ้านนะคุณมาสั่นเบื้อบดผาบัดจักิ่ไปใส่มาสั่น ก้อนกรบปันเล่มกับปันวะสันค้นแห่เบิงถืดถืดด้วยวะสันท่านีอกศูนย์แล้วขวัดอะ้ไปฆ่าวก็ไป่ะไปแตยืนถามอะไรนียกพอยันางวันแล้วก็พาพื้นดีพื้นงามคอยก็เอามาให้เจ้านุ่งวะันคอยบไปฆ่าอ้วยเลเจ้าญาตบ้านนี่ยวะสันอยตีเราคอยทำท่าซื้อวะสันคอยเอาคอยเอารงยมน้อยดิเช็ดเจ้ามือนีวะสัน ค่มัตทีเจ้าดอกปสนคอยมาทาท้าซื้อเนยเจ้าศิเจ้าหรือซื้อพระเจ้าเดียวนี่ประสนผาไม่ยอดไม่ข้อคอยเอามาใหเจ้านุ่งปะสนเจ้ามักตังเก่อยซื้อไมาใหลุงเจ้ามาเห็ดค้านาค้าตาอยังที่อยต้เจ้ากับต้องปากันเมื่อนี่เนี่ยกันมันเจ้าบัวซอประสนหายเราวัดมันชนะแต่ไม่เอาคเศราเราแต่ปางคนนัะ นี่นะมีอ่ะสลัดพวกผัวเลยฮะเนื้อผัวไปละครคันมูนี่นมันของเนี่ยนะมูนี่มูห้าขอ่ันไปเลีนบอกเลีนเบียเสียแล้วมี่ะไปผัวไปไปเร็นสาวเันเนี่ยคันผัวไปเรีสาวมีอ่ะเรียนข่าวอ่ะผัวเร้สาวผัดไปเลีนไผ่คันเนี่ยเลีนประสดกันคันเนี่ยเกี่ยกันว่าเนีตีลูกคลูกเล่ชีตายคันเนี่ย อันนี้อย่าภาเรศอันนี้เชื้อไข้วอดอั น, นมันของยม้นี่หลมู้เฮอ่ผู้นี้เคยเด๋ยวพานโรคมาคือกันเคยเดีตกหมาลูกมาแล้วจังไดมากว่าอันม้นี้บอกมันมันดีรวดด่นก่อเคยดี๋ยตกมาลูกมากแล้วอันมู้นี้มู้โตมาตกลำหลังดอกบอกสันว่าเหลือขึ้นหลังมาแต่เกิดมานี่เพราะอยาหัวสักสิินตายหมดละ แล้วไปทั้งนาสีสูไปนี่ก็อยากคว้าสักสิ่ยินตาย่นละโลกอันเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนมาให้ปฏิบัติเพื่อนายโลกได้ทำสันสูงเพื่อให้คนทุกในวัฏ ร, รงสารทำสันสูงทำจาจรวัตรละบาทงต่อพเ น, นิภานม ก็โสดาบันเป็นนโมเทวบลงท่านโมสักขท่าข้ามี่ก็บอกไปก็นั้นนโมพระอน า, าคามีเป็นนโมเทวบมีโรคบมีโกรธนอบนอบนโมแปลว่านอบนอบรักมั น, น, น, นยู่ห ง, ง ห, ห, หันนอบนอบเนี่ยถ้ำในเวลาของพระองค์เจ้ารักยุ่งหันกระทู่ยู่งหันนโมพระละหันเนี่ยนโมจบแล้วเพราเมืเกิดเมื่อเกยเมื่อเก็บมาตาย ในวัาสงสารอีกให้ท่านรักษาศีลพ่อมาหน้าสวางเพล่อปนทุกในวัาสงสารปนเออเห็้บมากเห็้มากเหีเาา้เขามากคะเขามากดำหน้าร่าหัวปีมาท่านปนแม่นวะ <laughs> <laughs> เดืน อ, เดน อ, อนพฤษจัค่อยปั่มเดือนหาจัค่อยคล่อนโบราณฮ้อน ทั่วเพราะเขาว่าติดควรทำคาระวะของประการนี้ทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจร ну. ิญฝ่าเดียวเอาปญหางทำมีเจ็ดอย่างึมันประชุมกันเืองนิดสมาประชุมกพอเพียงกันประชุมเมื่อเรประชุมกัพอเพียงกันเรื่องละพอเพียงกยกับารจิตที่ตว้องจะต้องทาแม่บัรยากางที่พระเจ้าบรรยากาศเกิแม่ถอนสินทรพงศ์ทรงบรรยากาศได้แล้วสมานทานศึกษาอย่างที่คำโบาณที่ทรงพระองค์ทรงบรรยากาได้พวกนั้นไปละวพวได้นั่เออทายเทศกันม cái nam ra ขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งผลลัพธ์ของโลกก็คือทุกใครต้องการพ้นทุกในปัจจุบันในชาติก็ต้องพิจารณาทุกเป็นอารมณ์้อมกบลมให้กายเข้าออกถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกขเมื่อใดเห็นทำทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแต่สลาย ในปัจจุบันรนกิจปัจจุบันธรรมเมื่อนั้นย่อมนายในทุกนั้นแหละทางแห่งวิสุทธิสีนิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิปงกืนกันอยู่ในตัวเอาลนะน่าเสี้นะยะท้าวาีดวาพุราภิเรณทิสาสละ เทวเววยุโตทินัเปตานังอุปการปีิตังจิตังตวผางคปเววมจตะเปปุเรนตุสกปาจันโทโสยธามณโชติโสยาสภิโยอวจตสัพะุโโยุุโรภเวนสตุาเตวตุอันตรายโสขติายโอภิวาทนสิสนิังมุตาันุตาลุธมาวันติอยันสุขังะรังอีได้ถึงว่าพระระสง์ยรเมือบมีประมาณ ตามต่อเท่าเขาสู้พรเนาขอเป็นข่าเป็นทาตุเพรพูดพระธามังงอยู่ทุกนือมันก็สยาะสียซ่าไอ้ยังกับพระธาตุเหมื อ, อ, อกมองสขันบุญเต็มแล้วบาปบมันเกิดวัดไปมันจะเข้าสู้พระเนปานทันทีวั้มานเกิดแก้เก็บตายอีกตัวสิ่งที่แข็งขอเข้าโยง เขาอขอกล้วยแขนมันยังขาดเป็นข้อแกเก็บตายแขนข้อเท้าโยนขาดเพเป็นเน้ติดระงางระงางเงือนั่นัน่นั่งทีว่าจากไหนนั่ง น, นอดกับข้าอยู่ปูเรี ง, งปูเรีย ง, งอยู่ย่งางไปก็คือกันอความตายนี่ว่าไม่เสียงถอยหลีกเป็นว่าซักกายเคกตุงทะเลนะว่าเา ม, ามื่อความตายมาถึงแล้วมีมท่านผู้ใดจะถ่ายถอนด้วยเวทมนต์ด้วยสักอ น, นุอนอนเลยถึงความตายมือกักขัง เมื่อแล้วน้อยข้างจะพ่าเขาสันเอยพ่อมก็ร้องไห้ใจเขาออกแข้งได้บุญหลายนั่นพอ่อก็ร้องไห้ใจเข้าออกยิ่งได้บุญมากพูดก็หมูก็พูดมากถ้าหากว่าพูดแต่ตนคนเดียวภ า, าวนาแต่ตนคนเดียวม่ได้่เอามากเออมากก็ไมากออกไปจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจนั่น ทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะปฏิบัติเพื่อละเพยนศปัญหามากทำไมจิงมากเพราะมีกิเลสมากมันก็มากสิถ้าเห็นโลก็นไปด้วยลุ่มทานเพลิงแล้ว ก็ไม่ลำบากถ้าหวังจับทุ่มเทความสุขรงในโลกปัญหาคอมา่าถ้าจะทุ่มเทความสุขรองในพระทิพยานปัญหาไม่มากเพราะเหตุใดเพราะเห็นภ า, าพพจน์ของโลกแล้วเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นและกองและแปรปรวนแปรสลายและทุอกอเมื่อเห็นภาพพจนของโลกชัดแล้ว ความยินดีในโลกทั้งปวงก็เบาลงทำทั้งหลายก็หงายออกให้เห็นก็ยินดีในพระนิพพานพุทโธนิพพานธรรมนิพพานพระโพนิพานจ ร, นน ร, นนรนนิงเดียวยไม่ใชครับใ่ไมจริงาไมอย่างนั้นแล้วปัญหามีอว่าคนชั่วก็มาจากคนดี คนดีก็มาจากคนชั่วเมื่อนี้มันไก่ตายก็มันเศ้าเนี่ยสวัสดีสวัสดีสสดปีใหม่ไก่ตายก็ไปตายเนี่ย ดีปีใหม่ใกล้จะตายก็ไปกายไใกล้กกลกตายก็มือเศ้านี่ใกล้กตายก็วางง้างมากยับเขายับเข่าบ่ออกธรรมดาคนพูดเถ่านี่ว่าพ่อบันเท่าอยู่่านบันเท่ายุ่ไหใกล้กตายก็มือเศ้านี่นายโควานตอนโคเขา้าคอกจะตอนแต่เวลาตะวันบ่าย ความตายตอนสัตว์ทั้งหลายเข้าคอกไม่มีกลางวันกลางคืนเลยวันคืนกรูนกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่อิ่มวันคืนกรูนกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่อิ่มเลยใครจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหากิ่งอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอีกด้วยผู้ที่เพลินในวัดตาสงสารก็คือเพลินในหลุมฐานเพลิงเราดีนี่เอง เกิดในแก่ในเก็บในตาก็คือเพลินในทุกเราดีๆนี่เองผู้ยินดีในเกิดก็คือยินดีในแก่ในเก็บในตาอยู่ในตัว่ะผู้เห็นภัยในวัฏจักรสงสารก็ดับเพลินในวัฏจักรงสารอยู่ในตัวนก็เปิดประตูพระนิพพานไปในตัวนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญา พระท่วัดพรพุทธศาสนาไม่หวังเพื่อนทุกข์นะว่ตาสงสารมันก็ฟันไม่ไม้ถึงเกศไม่สมทานะของเราที่ปีนขึ้นเขาลงห้วยคดเคี้ยวเรียกว่าบากไม่สมทานะที่เราฉันในบาดปลอ บินธบัตรปลอเดินองค์ปลออยู่ปาเป็นวัดปลอแต่ก็เป็นการจนใจผู้บารมีอย่างอ่อนก็บวชพอเป็นนิสัยผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วเห็นภัยในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่อุปสรรคปัญญาวิเศษเป็นเหตุแท้เบื่อหน่ายคลายเบาในวัดตาสงสารนั่น อูส้สรรเกิดแก่เก็บตายโรคปวดหลุมทุกวันนี้มีแต่อุปสรรคทั้งนั้นหิวข้าวละหายน้ำปวดรุจระปัสสาวะหายใจเข้าออกบันเทาตายเปลี่ยนอิิยาบทก็บันเทาเก็บปวดสมุติดั้งเดิมแต่ว่าใจเป็นแปรเป็นไทยแล้วจิดเป็นคํนาภาษาบาลีมะโนก็ภาษาบาลีมะนะก็ภาษาบาลี วิญญาณก็ภาษาบาลีวิญญาณก็แปลว่าใจเหมือนกันส่วนใจนั้นแปลเป็นใจแล้วแต่ผู้ไทยบอกว่าโจอส ม, มุสผู้ใดเป็นผู้สมมุติขึ้นก่อจิตตาสร้างขานเป็นผู้สมมุติขึ้นใครเป็นสมมุติเป็นผู้สมมตรริหลา ก็จิตใจเป็นผู้สมมุติาตาหูจมูกกลิ่นกายใจไม่มีใครใส่ชื่อนามให้ตนก็ใส่โขนสวมหัวใส่ตนเองว่าใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจกูเป็นทุกขอยู่ที่ใจทำไมสั์ทั้งหลายจึงมีใจก็รัะสั้งทั้งหลายชอบนึกคิดยังไ่เบื่อทำไมสั์ทั้งหลาย จึงเมตตาพระชอบเรงเลดูลกูกไม่เบื่อไม่ไนายบานทีก็เบื่อหน่ายก็กลายเป็นโทสะไปซะมันไม่พอดีทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูพระสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกพระสัตว์ทั้งหลายชอบดมกลิ่นทำไม สัตวทั้งหลายจึงมีริ้นเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบริมรถทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะสัตว์ทั้งหลายต้องชอบเย็นรอดอ่อนแข็งมากระทบกายเรียกว่าโหดะกายทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจเพราะชอบทํามาลมและความนึกคิด